ا ل س ا م ل ر ح الله ر ا ل ي م ر ح م ن ا ل ر ح ا ل ي م و ح م د الله ب ر ا ا ل م ي و ر ح م الله ب ا ا ل ا م ع ي و ا ل ه و ا ل س ل ا م ع ل ي ة ا ل و ر ا ل س ل ا م ع ل ى ك م ر ف م ا ل ر س ل ي ن ن ب ي ن ا م ح م د ل و ل ع ل ي و ص ح ا ل ه و ب ت ه م ي و ح ا ل ل ب ه م ي م و ح ا ن ل ب ا ه السلام عليكم ر ح م ة الله ب ر ك ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ا ل ا م ي م ا ب ا ت السلام عليكم و ر ح م الله وبركاته. س ا ي ك ب ك ت ه س ا ي ة الله ب ر ت س ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ع ل ي ب ت ا ع و ح ه و ن ให้ผู้สธาเกี่ยวกับเรื่องโลกดุ น, ยนียานีชีวิตของเราเนมันช่างสั้นหลือเกินเปรียบเสมือนน้ำฝนที่มันตกมาประเดียวประดาาแล้วมันแปรรูปกับเมลิตพืชที่กลายเป็นพืชผลที่งอกเงยมา สักพักหนึ่งก็จะเป็นอาหารไว้ให้มนุษย์และสัตว์ได้กินสุดท้ายของมันก็คือเป็นอุจาระและเป็นมูลสัตว์ที่คือโลกที่มีระยะเวลาสั้นๆไม่ยาวนะซึ่งอุตสาหนี้อย่างที่บอกกับพี่น้องว่าถูถู ยกเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ในหลายสุราเช่นสุรากรฟีกมีหล็กดีดจุมรหลายสุราแบบนี้โลกดุนีาเหมือนน้ําฝนตกมาประเดี๋ยวประเดาวก็กลายเป็นพืชผลบางสุราเขาบอกว่าอับาฮัตฮะชีมันจะดูุูรีย์กลายเป็นพืชผลที่แห้งแห้งเกรียมแห้งกรอบเพราะมันโดนแดดโดนความร้อน ซึ่งมนุษย์ที่มีปัญญาต้องการทุกช่วงที่จะฉายภาพภาพหูหราสวยงามที่มันหลอกลวงสายตาปิดบังข้อเท็จจริงของมันไม่ให้พวกเราได้เห็นเกินแท้ เปรียบเสมือนอะไรหลายอย่างในโลกนี้ที่มันสามารถหลอกลวงเหมืองรูวมันไปเร่นดีเราก็ได้บอกจุยน่าลิลน้สิฮุบุเชวาสำหรับมนุษย์เนี่ยเรื่องง่ายเหลือเกินที่สิ่งที่มันเป็นความอยากความโลกความใครความต้องการทั้งหลายมันจะถูกประดับประดากามสายตาของเราให้ดูดี คนที่กินเหล้าขายเหล้าหรือสิ่งอบจฉมุยทั้งหลายเนี่ยก็พยายามประดับประดาให้ดูดีทุกอย่างทุกอย่างที่มันมีผลเสียเขาจะเอาเฉพาะสิ่งที่ดูดีดูงามนะมาเผยแพร่ บ่อคาสิโนเนียมันสร้างรายได้มหาศาลมันจะดึงเงินของคนไทยที่ไปเล่นพนันกันต่างประเทศไปทังวาให้คนโง่ที่ไปเสียตังในการพนันต่างประเทศให้มันมาโง่กันในประเทศดีกว่างั้นใหให้มันมาโง่กันมาเสียกันในประเทศดีกว่า ให้รัฐบาลเนี่ยเป็นเป็นผู้ได้เปรียบเก็บภาษีแทนที่จะเป็นรัฐบาลเพื่อนบ้าน mm hmm. เลราอะมา่า mm hmm. เขามีบ่อนคาสิโนเขาก็เก็บภาษีอรอร่อยทําไมรัฐบาลเราไม่เป็นเจ้าของภาษียากรเป็นเงินของคนไทยแท้ๆคือพูดอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหตุผล เ, เรื่องเราเรา สีเล้ายอะนะสีเหล้าเก็บสีเล้า เ, เายอะนะแต่้ผลเสียของมันเนี่ยไม่ค่อยเอามาพูดคนตายเพราะตับแข็งกี่คนในประเทศเขกินเหล้านี่คนป่วยที่ไปป่วยอะไรก็จะป่วยโรคอะไรก็ตามมาใ น, นพยาบาลจะถามก่อนที่จะพบหมอนะั้นทันสมบูรีร์ไอ้ท่านดื่มสุราใช่ไหมเราเ ป, เป็นเป็นเป็นคำถามอมตะ ที่โรงพยาบาลที่ทุกโรงพยาบาลนะ่ะทำไมอ่ะเพราะลูกส่วนมากกันนะของคนยุคปัจจุบันนี่ก็มาจากสิ่งบริโภคเน่าๆเหล่านี้ไอ้ของแบบนี้ไม่พูดสิ่งธรรมะอบัยวุทั้งหลายเนี่ยที่มันมีผลเสียมากกับมนุษย์เนี่ยเขาไม่เอามาเผยแพร่อนมีแต่คนที่มีคุณธรรมศีลธรรมที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยเพื่อจะได้ที่จะให้คนได้ตระหนัก ตั้งกูดอ่านกุดอ่านไม่ปฏิเสธนะว่าเล่านี่มีประโยชน์หนึ่งในนั้น่อุลามะนี่บอกว่าประโยชน์นี่คืออะไรคือค้าขายเป็นประโยชน์แน่นอนจะปฏิเสธได้ไงเออค้าขายนี่มีไปยชนอสลูรกาอันุลขมริวลไมซิรเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับขมรเล่าสุราวัลไมซิร์และการพนันอุลอูบูมุฮัมมัดตอบไดเลยอีฮิมาอิสมุนคับีรวะมนาฟุลินัส มันมีบาปเสียหายมากมายและมีประโยชน์บ้างไหมน f o l n e s s การพานันนมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ไหมนีแต่เทียบแล้วกับเทียบแล้วกับความเสียหายใช่ตอนแล้วก็คนเลวเนี่ยจะมาหลอกเราในเรื่องเนี่ย เ, เอาเรื่องดีๆของเรื่องเลวอ่ะนะมาบอกนี่เรื่องดีทำไมทำไมจะไม่ดีละ่ะนะ กัญชาเพื่อเพื่ออะไรนะตอนแรกอะกัญชาเพื่อการแพทย์และตอวนี้ยังไงร้านกันดูดกัญชากันเป็นคนป่วยกันทั้งประเทศอย่างเนี้ที่เปิดร้านดูดกันเนี่ยฮะดูดกัญชาเนี่เพราะอะไรสมุนไพรอะตอนแรกตอนหาเสียงนี่อย่างนี้เลยนะกัญชาเพื่อการแพทย์และและยังไงดีขายกันนะเนี่ยการแพทย์มั้่ใหลอกลวงสชัดน่ะ ให้ดูดีให้ดูดีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเสียหายที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องโลกดุนยานี้ที่ทำให้เราหนุไปกับโลกดุนยานี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเช่นนั้นสื่อบันเทิง ลครน้ำเนา่าภาพยนต์น้ำเนา่าจะมีเจ้าภาพพอที่จะโปรโมทมันได้ไงคนก็เห็นดีเห็นงามกับมันจนกระทั่งสามารถที่จะสร้างผลประโยชน์มหาศาลจากสิ่งที่มันมีความเสียหายมหาศาลประเทศบางประเทศนี้ ที่ได้ให้โสพภณีเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายบ้านเราดูเหมือนว่ากำลังปฏิบัติตามสุนยน้าของเขานะพยายามวางแผนเดินตามรอยเท้าของของคนที่เขาหายนะกันไปแล้วเนี่ยแต่เขาไม่มองว่าโสพภณี น, นี่มันมันทำลายระบบนิเวศของมนุษย์นะสถาบันครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างกันอนะุ้มด้วยกันศนะักดิ์ศรีของมันนะุษย์เดี๋วนี้อุ้มบุญเนี่ยที่เขาไม่เขาไม่กล้าวิจารณ์ไม่กล้าไม่กล้าวิจารณ์ทำไมอุ้มบุญเนี่ยที่ไปอุ้มบุญกันที่โจจีเป็นสาวไทยทั้งนั้น ทำไมมันต้องตั้งคำถามไม่มีชาติอื่นนี่ ไ, ไ ม, มีผู้หญิงชาติอื่นที่จะมารับทำงานเรื่องนี้เนี่ยมันเพราะอะไรศักดิ์ศรีของคนไทยเราเป็นที่รู้กันทั่วโลกโอ๋อหญิงไทยนี่ขายตัวง่ายเหลือเกินใช่ไะคือเราต้องพูดพูดแบบนี้มันจะได้เจ็บเจ็บเนี่ยคนไทยนี่ขายตัวง่ายเหลือเกินขายตัวได้คนขายตัวกันทั้งบาง นักการเมืองก็ขายตัวใช่ไหมนักการเมืองก็ขายตัวนักธุรกิจก็ขายตัวทุกอย่างนี่ขายได้ในประเทศไทยจึงเป็นเรื่องง่ายไงจ้างคนไทยนี่จะได้อุ้มบุญทางดังดีศักดิ์ศรีของมนุษย์ในเรื่องเนี้ที่จริงเนี่ย ผู้หิงเนี่ยที่ยอมไปทําเรื่องนี้เนี่ยเขารู้เขารู้นะว่าอุมบุญแต่เขาถูกหลอกว่าอุมบุญถูกกฎหมายใช่ไหมไปประเทศทุนถูก ท, ทีบ้านแล้วมันผิดกฎหมายแต่ใปประเทศทุนถูกกฎหมายเขาก็ยอมทำไมทยอมละ่ะพราะคนไทยเนี่ยมองถึงเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะ่ะคนไทยทั่วไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ให้คุณค่าคุณค่ากับมนุษย์ในการรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองในเรื่อง มนุษย์ที่มีศักดศรีนีไม่ยอมนะไม่ยอมที่จะให้มีส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยเอาไว้ซื้อขายทำได้ไงอ่ะ <c> อ <oughs> ันนี้แหละครับถูกประดับประดาให้มันดูดีเรื่องรายได้เรื่องเงินทองมันสามารถหลอกลวงนั้นน่ก็คือก็คือเรื่องโลกดุ ญ, ญิยานี่แหละ อ้ที่ที่ี4นี่กําลังสอนผู้ศรัทธาว่าอย่าอย่าให้พวกเราตกต่าไปกับดุนยาเพราะดุนยาเนี่มันตกต่าาาววําดุนยานี่มันชั่วข้าวมันมีหมายความว่าดุนยาเนี่มันชั่วข้าวมันปรเดิษฐ์ประดาวแต่มนุษย์นี่อมตะมนุษย์นี่ยั่งยืนคนเรานี่เข้าใจว่าอ๋อเรา เราก็ประเดียวก็เดีประเดียวประเดราก็เราก็ชู้เขาเราก็ตายใช่ไหมไม่ใช่ตายนี่หมายถึงว่าส่วนร่างของเราเนี่ยมันจะตายแต่วิญญาณของเราเนี่ยอมตะวิญญาณของเราเนี่ตายครั้งเดียวลุงหลังที่อัลลอฮฺฟืน้นคืนชีพมานะฟืน้นคืนชีพแล้วเนี่ยก็เป่าสังอีกครัง้งเน้นตายทั้งหมดตายทั้งทั้งร่างทั้งวิญญาณทั้งตายทั้งหมดไม่มีชีวิต แม้แต่แม้ก็ตัองบรรดามาเลก้าิบริลมาเลคุลมาว์นี่มาเลกะที่ยึดวิญญาณนีกคจอตายหมดอันนั้นะวิญญาณของเราคือทางเดียวครั้งเดียวเลยแต่นอกจากนั้นน่ะชีวิตของเรานี่อมตะเพราะฉะนั้นเทียบระหว่างวิญญาณของเรากับอายุไขของโลกนะโอ้ของเรานี่ยั่งยืนกว่ามนุษย์นี่ยาวนานกว่า อยู่นานกว่าดุนญานี้ฉะนั้นเอาสิ่งที่มันยั่งยืนกว่า น, นี้มาเทียบหรือมามาแลกกับสิ่งที่มันชั่วคราวน่ะนั่นทำไมคุ้มไม่คุ้มอัลลอฮฺ Allah จึงไม่เรียกร้องไม่เชิญชวนให้เราเนี่ยพำนักอยู่ในโลกนี้ผู้ขาดความหวังของเราอยู่ในโลกนี้อัลลอฮฺไม่เรียกร้องไม่เชิญชวน แต่จะเรียกร้องเชิญชวนให้เรามุ่งไปสู่ไปสู่อาคยรภไปสู่ส่วนสวรรค์ของพระอายุส้าถึงสาินี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้พูดถึงเรื่องดุนย า, า่เรื่องพฤติกรรมของมุชริกีนของคนที่ตั้งภารีกับพระองค์บรรยากาศของพวกเขานี่ในการที่ปฏิเสธสัจธรรมแล้วก็หนุไปกับ สิ่งต่ำของโลกดุนยานี้อแ ล, ล้วกำลังบอกว่าไมนะ่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราหลงตาําแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เรามุ่งมุ่งหน้าไปสู่ไปสู่โลกที่ยั่งยืนโลกที่อามาตะโลกที่มีความยาวนานที่สุ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. لا الله ر ي ب راعي س و سطانة هن سانتي. لا س و ش ي ن ه ل ให้ทาง نَمْ. نَالْطَانْ. الْتِطُّطَّ. ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍٍ.ٍٍงٍٍ ยดดริยรัตรียด เ, เรียกร้องมานริสบรตบันินทนาบิศลอัลลอฮ์ عليه وسلم บอกว่ารองร้อลลนยกอุทาหรณ์ยกตัวอย่างเกี่ยวกับโลกโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเปรียบเสมือนกริยักองค์หนึ่งหรือคนเศรษฐีคนหนึง่งเรามีวังใหญ่โต แล้วก็จัดอาหารเลี้ยงคนในเมืองทั้งเมืองเลยจัดอาหารจัดเลี้ยงอาหารอย่างดีเลยแล้วก็ส่งตัวแทนไปเชิญชาวพาามาใ น, ว, นวังนี่มีอาหารเลี้ยงอย่างดีเลยนะมาในวังนี่กษัตริย์นี่ก็เปรียบเสมือนองค์วังนี่ก็คือสวนสวรรค์ เราเราส่งตัวแทนคือน บ, บีแล้วเราสู้ทัหลายเรียกร้องเชิญชวนชาวบ้านนีว่ามาก ก, กกินใครที่จะเข้าวังกกนี่คือเข้าวสวรรค์ใครที่จะรับประทานาอาหารนี่คือจะสวย ส, สุขจากส่วนสวรรค์ <c oughs> และนี่คืออุทาหรณ์สัส้นๆที่เราพอจะเข้าใจว่าอะไรอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันสามารถอธิบายได้ ว่าทําไมถึงมันสั้นเหลือเกินทุกอย่างนะมันสั้นเหลือเกินในโลกความสุขอะไรต่างๆนี่แม้กระทั่งเรื่องที่เราลืมใจเนี่ยมันก็มันจะนิดเดียวสั้นนิดเดียวบางคนบอกว่าไม่สั้นนะเราบางทีเนี่ยเราก็สนุกนะมีคุ้มนะเนื่องจากว่าเขาเทียบสิ่งที่เข้าได้สัมผัสด้วยตัวเองกับสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัส และความศรัทธาความเชื่อของเขาเนี่ยมันขาดคุณสมบัติคือเขาไม่ได้เชื่อในอวนปรโรนุกไม่ได้เชื่อในสวรรค์จึงไม่สามารถสัมผัสความยาวนานความสุขของส า, ส า, สาวสาวสวรรค์ น, นี่พอมาเทียบแล้วกับโลกนี้เอ้ยอันนู้นมันไม่ค่อยชัวร์แน่นอนคือสําหรับคนที่เทียบแบบนี้เนี่ยสําหรับเขานี่แน่นอนผลผลลัพธ์ที่มันต้อ ง, องเกิดขึ้นนี่ก็คือแบบนี้ จึงไม่ไม่คุยนะสำหรับคนที่มามาม า, มาเถียงเลยเลยเอ้ยมาเทียบได้ไงความสุขในโลกนี้กับความสุขในโลกหน้าที่เราไม่รู้มันแน่จริงหรือเปล่าไม่คุยแบบนี้ไม่คุยล้วคุยแบบนี้เนี่ยมันไม่จบคุยเรื่องอะไรเอะคุยคุยเรื่องพระเจ้าก่อนมีพระเจ้าถ้ามีพระเจ้าโลกนี้เนี่ยเกิดมายังไงอยู่ดีๆก็จะ เ, จเอ๋ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครสร้างขึ้นมาอย่างไง คุยเรื่องนี้ก่อนมีนักศึกษาคนจีนคนหนึ่งเติบโตในช่วงโซเวียตสังคมคอมมิวนิสต์ไม่เชื่อในพระเจ้าและกล า, ายกระลีไปอยู่ที่อเมริกาไปศึกษาต่อที่อเมริกาจนเป็น p r ฟ f e s s o เป็นเป็นเป็นหมอหมอตาเขาบอกว่าไปเรียนไปเรียนที่อเมริกานี่ก็เอาเรื่องความเชื่อ ว, ว่า ตามตามคอมเม้นท์เขาสอนนะ่ะนะไม่มีพระเจ้านี่แล้วก็อธิบายทุกอย่างตามนี้ว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าไงแต่เขาบอกว่าตอนเข้าไปเรียนคณะแพทย์แล้ก็ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตาอย่างเดียวนี่ตามีเซลเป็นเป็นล้านล้าน น, น, น่ะเป็นทริลเลียนล้านล้านน่ะเซลลในตาอย่างเดียวนะแล้วก็เซลในตาเนี่ยมันถูก จัดสรรอย่างปลาหนีถ้ามีเซลล์หนึ่งในบรรดาล้านล้านเซลล์เนี่ยผิดที่ผิดทาง น, นะมีสิทธิตบสิทธิ์ทีมีตาบอดมีอนวญตตาบอดเซลล์เป็นล้นลานล้าไม่ใช่ล้านนะล้านล้านล้ า, านนาแล้วมันถูกลำดับยังถูกลําดับลำดับมัน ม, มันถูกเรียงอะถ้ามันผิดทางซึ่เซลล์เนี่ยนะและเซลล์นี่แบบมองไม่เห็นไงถ้ามันผิด ทางพื้นที่ของมันนี่เลยตาพอดวันนี้เขามีอาจารย์ที่เป็นคนคริสต์เขาต้องไปถามอาจารย์ว่าเนี้เยเซลแบบเนี้ยมันมันถูกลําดับยังไงอย่างมันถูกจัดสรร น, นี่ยังไงเขาบอกว่าต้องมีผู้วางระบบผมไปพูดอาจารย์เชื่อแล้วว่ามีพระเจ้ามีผู้สร้างอาจารย์เชื่อเหอ ร, เรอา คือตัวเขาเองเนเาโตในคอมเม้นท์เรื่องนี้มันไม่ต้องคุยเขาบอกว่าคุณไม่ต้องคิดเรื่องเซลล์นี่นะคุณไปดูเน่นคุณลงไปในถนนเนี่ยคุณเจอรถเป็นเป็นพันคันอย่างเงี้ยเป็นพันพันคันแล้วก็มันวิ่งแล้วคุณบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมัน มันเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญไม่มีคนสร้างรถขึ้นมารถมันมาเองมันประกอบเองอะไรเองเนียถ้ามีใครมาบอกคุณจะเชื่อไหมเขาอกว่านี่ด้วยทฤษฎีที่เขาเรียนจากวิชาแพทย์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเอาใหม่หมดเลยเอามาให้คุยกันใหม่เลยเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นไงการที่จะเชื่อ ว, ว่ามีพระเจ้าไม่มีพระเจ้า พอเชื่อแล้วว่ามีพระเจ้าเรื่องทุกอย่างนี่อธิบายได้หมดอธิบายได้หมดเลยเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องวันบาราโลกอธิบายได้หมดเลยเชื่อว่ามีพระเจ้าก่อนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วก็เราเชื่อในเรื่องใหญ่ที่สุดไอเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องย่อยเรื่องย่อยเชื่อเนอัลลอฮ์นี่นะเรื่องสวรรค์นี่ก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องมันมาง่าย ไม่เสียเวลาเนอะไปคุยเรื่องเคนเรื่องเรื่องฟุรุ่งเนี่ยเรื่องย่อยเนี่ยแล้วก็เรื่องใหญ่เนี่ยทิ้งไว้บางทีนะกุศการก็ไปเสียเวลาไปเถียงกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เอาแต่มันปากอย่างเดียวมันในการเถียงกันไปโต้กันไปด่ากันไปด่ากันมาเออไอ้ง่อนี่งไม่มีประโยชน์หรอกเรื่องใหญ่ที่สุดผมเคยเขียนหนังสือตะก่อนนี่หนังสือ หนังสือจะได้เผยแพร่กับกับกับสังคมบ้านเราสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นสังคมส่วนมากเป็นขอพุทธแล้วคนพุทธส่วนมากเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยไม่เชื่อในพระเจ้าก็าว่าถึงจะมีพระเจ้าในศาสนาพุทธเนี่ยถึงจะมีพระเจ้านะก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้อง เป้าหมายให<น>ญ่ของเขานก็เรื่องเรื่องเรื่องกิเลสเรื่องความทุกข์อะไรพวกเนี้นะที่ทําความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธผมเขียนหนังสือชื่อหนังสือเนี่ยอันหากีกาตุนคุ้รอความจริงที่ยิ่งใหญ่คือประเด็นที่ที่ต้องโฟกัสโฟกัสสาหรับสําหรับพี่น้องชาวพุทธเนี่ยจะได้เข้าใจมุสลิมเข้าใจความเชื่อของมุสลิมนก็คือเรื่องพระเจ้า นี่คือข้อแตกต่างที่ยิ่งใหญ่อายาที่ยีสิบ้านี้นะถ้ า, ามีข้อสองสยัยถ้ามีข้อมไม่ไม่โอเคแม้แต่ น, นิดเดียวเกี่ยวกับพระเจ้ า, ك, ลล า, นานี่นะอายานี้ตบเลยอัลลอฮฺยดูอิลลดาริสซัลมอัลลอฮเรียกอัลลเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ทุกคนเรียกร้องเชิญชวนไปสู่สถานแห่งสานติด ดารไปว่าบ้านยดเชิญชวนเรียกร้องดารไปว่าบ้านอัสลามไปว่าสันติสันติภาพใช่แต่อัสลามเนี่ยเป็นพระนามของอัลลอฮ์สลามเป็นพระนามของอัลลอฮ์นี่ทัศนะของกอตาดกอตาดาบอกว่าอัสลามฮุวัลลอฮ์ะนาอัลลอ์อัสสลาม เอาม่ป็นรมั้งเนี่ย Allah ย่อดู่้าอัลลอรียกราบไปสู่บ้านสลามบ้านอัลลอฮ์อัลลเชิญชวนพวกเราไปสู่บ้านของพระองค์ไม่แปกนะอันนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านใครอ่ะอ๋อหูบ้านใครนะเนี่ยบ้านใครเนี่นี่เนี่ยสถานที่นี้เราเรียกกันอชาวบ้านเรียกน บ้านของอัลล์บ้านของอัลลอ์ไม่เหสเนี่ยบ้านของอัลลอไม่แบบ้านนีนมาทำไงไอ้บ้านของอัลล์หรือาบ้านี่รอกันะบ่ยตุลบ่ยตุลลอห์บ่ยปลว่าบ้านดาร์บ่ยปลว่าดาร์เหมือนกันนะบ่ยตุลลอห์บ้านของอัลลอฮ์นมาทำไเรียกได้นะกาบ้านี่เรียกบ่ยตุลลอห์ได้มัสิดนี่เรียกบ้านของอัลลอห์ได้อ้าวลกสวรเนี่ยจะไม่เรียกบ้านของอัลลอฮ์นั้นไอ ยิ่งมีฮาริเซลเนี่ยบอกว่าพระองค์ทรงเตรียมสวนสวรรค์นเนี่ยสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองด้วยทองคําและเงินก้อนทองคําและก็ก้อนเงินทีละก้อนเนี่ยสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองสร้างสร้างให้เราสร้างให้มนุษย์เนี่ยสวนสวรรค์ น, นี Allah นี่เชิญชวนเราสู่บ้านของพระองค์ที่พระองค์เตรียมไว้ทรงสร้างเตรียมไว้สําหรับสําหรับชาวสวรรค์นี่จะสนับหนึ่งเรื่องว่า Assalam นี่ไมาใช่เพืนน่อมำอัลลอฮ์ะนะ a s s a l a นี่หมายถึงว่าสันตินี่หมายถึงว่าปลอดภัยสถานแห่งสันติที่ไม่มีภัยไม่มีพิษไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่มีอันตราย ไม่มีความเสียหายไม่มีความบกพร่องแม้แต่น้อยไม่มีความเศร้าไม่มีความเครียดไม่มีความเสียใจไม่มีสิ่งที่มันมีในโลกเนี้่ย <c oughs> โลกนี้มีความสุขแต่ไม่มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีความสุขที่ครุบท่วนยังไม่มีไปกินข้าวโ ร, มมนะรงแรม หรูหราหน่อยยอมเสียตังบองกว่าเขาอาหารเขาน่าจะอร่อยนะชื่อเสียงอะไรก็แต่พอไปแล้วนะโอ้ะนืบอบุฟเฟ่นมันสวยหนะนะ้านมันสวยแต่พอไปชิมมาไปกินอาหารแล้วเนี่ยมันไม่อร่อยซึ่งพวกเราก็เคยนะ เ, เคยได้ได้ดู โฆษณาร้านอ้อร่อยนี่ว่าละแล้วว่าละเขาถ่ายคนกินน่ะนะอืมกินอร่อยแน่เลยอ่ะพอไปแล้วไม่เอา่อไม่เอาว่าไปกินที่ไหนน่ไม่อร่อยเท่ากับทำด้วยมือตัวเอง ไปซื้อวัตถุ ด, ดิบไปซื้ออะไรทุกอย่างเครื่องเทศให้ครบเท่าไหน่พวกนี้มันขี้เหนียวเรานี่เต็มที่เลยรับุงเองเนี่ยทําไม่เต็มที่เลยทําเองอะไรเองตามขั้นตอนนลยนะพอเสร็จแล้วก็อร่อย <c oughs> กินแล้วอร่อยโอ้โหไปแล้วฟูด้ดซีฟูด้ดกินอร่อยเนี่ยกินมีอะไรในทะเลนี่มันมีอะไรมันวางบนนี้นหมดเลยใช่ปะ วางหมดเลยมีงูมีอะไรกินหมดเลยอร่อ ย, ย <c oughs> ไงแต่ไปไปค้างแรมมันในโรงพยาบาลไงอาหารเป็นพิษหมดเลยโดยเฉพาะไอ้พวกหอยพว ก, อ, พวกอะไรที่ของที่ชอบกินเด็กเด็กนี่น่นกินเนี่ยอร่อยเลยใช่ไหมอา้าแล้วทาไมอร่อยนี้มันไม่ยั้งยืนอ่ะมันไม่ต่อเนื่องอ่ะเรากินอพอกินได้พอได้อะไรที่มันอร่อยแล้ววะนะเออมันไม่ต้น ในสวรรค์ไม่มีแบบนี้แม้แต่นรื่ของอร่อยที่เรากินอร่อยก็เราชอเผ็ดใช่ป่ะอร่อยพขกินแล้วกินเป็นน้ำมูกก็ไหลเหนื้อก็ออกอะไรมันมันลำคาจะเบ่งทำไมมาอร่อยต้องมันต้องทรมานแบบเนี้ทำไมอร่อ ย, อยต้องมีน้ํามูกไหลามาด้วยอะมันรุนย่าไงสวรรค์นี้ไม่มีสวรรค์เนี่ยถ้าเราจะมีเหนื้อนี่เนื้อนี่จะออกเป็นน้ําหอมเป็นเป็นเป็น สิ่งที่งดงามอ่ะไม่มีเศษอาหารไม่มีมูลไม่มีอุจระไม่มีปัสสาวะไม่มีอะไรที่มันเละเอะเทอะหลบไมีผู้หญิงก็ไม่มีประจำเดือนสมบูรณ์ครบถ้วนอสัสลามคือปลอดภยัยไม่มีอะไรที่ขแยงอะไรที่นา่าเกลียดอะไรที่น่ารังเกียจอะไรที่ดูแล้วมันมันทำให้าําคาญเพราะในโลกนี้เนี่ยมันอย่างเงี้ยเจออะไรดีดีนี่นะี่ย ผมไม่ทําใจได้เลยอะไรดีๆนี่นะต้องเจอมันตุกติอะไรสักอย่างทําใจทําไมอ่ะมันจะได้ไม่เออพอมีความสุขแล้วแล้วก็มาเจ อ, อปังมันเราจะเลยไม่ต้องไม่ต้องช็อกช็อกช็อกและเสียใจเพราะเราไปอินกับอินกับความสุขของมันใช่ไหพอเองโอ้โหนี่สนธิเหลือเกินมันปังปัปงมันจะไม่มีความสุขเมื่อาใจตั้งแต่แรกเลย เจออะไรดีๆเนี่ยนะทำใจว่าต้องต้องโดนหยิก ต, ต้องต้องต้องมีทำใจได้เลยเพราะนี่คือโลกดุจยาไม่มีอะไรไม่มีอะไรครบถ้วนแม้กระทั่งคนที่เรารักพี่น้องของเราก็ไม่มีใครสมบูรณ์เพราะตัวเราเองก็ไม่สมบูรณ์ไยแต่ในวันเกียรมาเนี่ยในโลกนี้เนี่ย เพื่อนด้วยกันสนิทกันก็มีอะไรที่แบบอะไรที่แปลกๆนะบางทีเพื่อนสนิทกันแท้ๆเลยนะเพื่อนก็มีอิจฉากันโกรธกันงอนกันไม่พอใจกันในเรื่องบางทีก็เรื่องเล็กๆเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องกันนะแต่สวรรค์ไม่ได้นะถา้าเขาสวรรค์แล้วนะอิขว่านัน่นละซูริมุตากบิลินเขบอกว่าอยู่ในสวรรค์นี่นะอิขว่านั่นเป็นพี่น้องกัน นั่งนั่งอยู่บนโซฟาบนเก้าอี้นอนบนที่นอนบนเตียงกันมองหน้ากันโดยไม่มีอะไรในหัวใจที่ที่เคลื่อนกันเลยเพราสมบูรณ์เนี่ยในสวรรค์มีความสมบูรณ์เพราะว่าชาวสวรรค์น่ะ น, นะพ้นจากสิรอดแล้วสิรอดที่อยู่บนนรกเนี่ยใครที่พ้นแลกนี่คือชาวสวรรค์ใช่ไหม พลจากสิรอดที่บนอยู่ในบนนรกนี่นะพนลนั่คือเช้าสวรรค์นั่คือรอดแล้วไงเตรีมตัวเข้าสวรรค์ได้เลยไม่ยังไม่เข้าสวรรค์เนี่ยเพราะมันมีสะพานอีกสะพานหนึ่งผู้ศรัทธาน่ะก่อนจะเข้าสวรรค์นี่เป็นกระจุกอยู่ที่นั้นเฉพาะผู้ศรัทธาที่พี่มีเครื่องกั น, นระหว่างผู้ศรัทธาด้วยกันเออแสดงว่าผู้ศรัทธาด้วยกันนั่นก็มีเครื่อ ง, องกั น, นอันนี้ว่าเป็นผู้ศรัทธาก็ใช่ ผู้ศรัทธาก็ผู้ศรัทธาแหละแต่มนุษย์ไยผู้ศรัทธาเนี่นเป็นมนุษย์ยังไม่ได้เป็นชาวสวรรค์เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยนี้หมดเลยอะไรที่มันไม่สมบูรณ์ไม่ครบถ้วนแต่ในสวรรค์น่ะเทวราชเรียกร้องเชิญชวนอย่าไปสนิทใจว่าโลกนี้เนี่ยมันเป็นที่พำนักทีทาวรใช้ได้เป็นที่พำนักทาวรเพราะมันไม่ไม่ควรไม่เหมาะแก่มนุษย์ ที่มีความอมะตะอย่างที่บอกว่ามานุษย์นี่มีวิญญาณที่อมะตะที่ยวนานยังยืนมีคนรุ่นวิญญาณนี่มี a สร้างไว้หนึ่จะได้อยู่ตลอดกาลไม่ควรแก่โลกนี้เนี่ยที่มันบบคร่อทุกอย่างนี่เตรียมไว้นี่วิญญาณของพวกเจ้านี่สมควรแก่สวรรค์เาราจึงเชิญชว น, ชวนอย่างที่บอกกับพี่น้องว่าเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องนี้เนี่ย ควรอนา น, นมากนะครับให้เราได้มองดุนยาในมุมที่มันถูกของมันอย่าให้คะแนนกับโลกดุนยานี้เกินเกินคะแนนของมันเช่นเดียวกันอาครอนนี่ปรโลกก็ควรที่จะมองคุณค่าของอาครอนตามที่อัลลอฮฺได้บอกสําหรับการเรียกร้องเชิญชวนนี่นะมันเป็นคําเรียกร้อง ที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องรับจากองค์ถ้าสมมติว่ามีคนเกิดในโลกนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีอัลลอฮ์ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยว่ามีอัลลอฮ์มีราสูลมีบาราโนมีสัมไม่เคยได้ยินเลยอัลลอฮ์จะไม่เอาุทธรณ์ว่าเราจะไม่ลงโทษไม่ลงโทษใครเลย พักแต่จนกระทั่งนบะสุรุลส่งรสรุลตัวแทนแจกแจงให้ข้อมูลชัดเจนแล้วละมาได้บอกว่าไม่ใช่เพียงส่งรสรุลไรอันอัลลอฮฺบอกว่ามิอุมมัมอุมตินอิมมัมอุตินอิลลัฮฺล่า فيها ن ذ ไม่มีประชาชนใดเอ่นแต่มีรสรุลมายันพวกเขาไม่ใช่แค่รสรุลมาแล้วนี่แสดงว่า ประชาชาตินั้นนะ่ะถือว่าได้ได้รับสิทธิในการรับรู้สารที่มาจากพระเจ้าแล้วนี่ไม่ใช่ต้องได้ยินต้องได้ยินสารและเข้าใจสารด้วยอุณา mm hmm. มาจึงแบ่งแยกหน้าที่ของรีซาลา่าหน้าที่ของ ของสารที่ราซูลมาแจ้งมนุษย์เนี่ยสารนี่มาจากอร้อนนี่นะที่ราซูลมาทำหน้าที่เผยแพร่นะเป็นสองวาระวาระน่นนคือเรียกว่าตับลุอิซาลตับลิปว่าส่งส่งแล้วสารส่งแล้วเอาคุรอ่านนี่มาบอกเนี่ยนะมีอัลล์นมีคุฎอ่านมีราซูนน่อันนี้ส่งแล้วสำหรับคนที่ส่งนี่ทำหน้าที่แล้ว แต่มันยังมีกรณ์หนึ่งเขารับแล้วรับสารแต่ยังไม่เขาา้าใจสมมตินะครับว่าอ้าวมีเกาะแถวอินโดยอย่างเงี้ยแล้วเราเอากุมรอ่านสักล้านเล่มมานะไปวางที่นั่นนะไปวางบนเกาะนี่บออ้าวอ่านเรานีอาจจะทำหน้าที่แล้วว่า พ, พอเราไม่รู้ภาษาของเขาเราก็ทำหน้าที่อา่าน เราทำหน้าที่จะเราพ้นบาปแล้วแต่เขานี่นะอาจจะพ้นบาปได้ถ้าเขาไม่ศรัทธาถ้าเขาบอกว่าอ ะ, อะไรนี่อสมุดสมุดอะไรนี่นี่มีข้อความมาเลยไม่รู้ถือว่าเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจสารที่มาจากพระเจ้าเนี่ยังไม่เข้าใจสารที่มาจากอัลลอฮ์นี่ยทุกคนเนี่ยต้องเสมอกันนะนะอัลลอฮ์จะได้เอาโทษได้ในวันเกียม์มา เขาจะลงทั่วใครเนื่องจากว่าเขาได้รับสารแล้วเข้าใจสารแล้วถ้ายังไม่รับยังไม่เข้าใจเนี่ยเราไม่เอาถูกจะมีคุ้มหนึ่งในวันเกียร์มานี่ฮะริสเบนีมัลฮากิมนบีบอกจะมีกลุ่มหนึ่งวันเกียร์มานี่คนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รับรู้เรื่องสารของระซูลไม่ไม่ไม่เจอระซูลไม่เจอสารจากระซูลและคนตาบอดคนใบ แตมีบอกคนตาบางคนใบในยุคนั antes, ้นนะก็ไม่มีอาจจะมีโอกาสที่จะรู้รับรู้อะไรเลยเลาบางคนจอดจอดตรงเขาจะมีเขาเรียกอะไรอะสอบพิเศษข้อพวกนี้ไม่เหมือนเหมือนที่มนุษย์ชาติทั้งหลายเนี่ยที่เขาเจอระสูลฟังรบรรดาระสูลทั้งหลายเนี่ยมันมันเหนี่ยเราจะสอบสวนเขานี่ ตามสภาพของเขาว่าเขารับรู้แล้วรับรู้แล้วข้อห้ามข้อใช้นี่รับรู้แล้วทำไมไม่ทำรู้แล้วทำไมไม่ทำแต่พวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจะมีสอบพิเศษสอบพิเศษของเขานี่ยังไงอัลลอฮจะวางกองไฟแล้วก็ส่วนสวรรค์กองไฟนี่ก็คือสวรรค์สวรรค์นี้ก็จะเป็นอรม แล้วเขาจะสั่งให้คนที่อยู่ต่อหน้าต่อตาอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าเข้าเข้าไฟนี่มาเข้าในไฟนี้เชื่อพระเจ้านี่พราะนี้อันนี้วันเกียมาเนี่จะบอกว่าไม่ใช่พระเจ้านี่เห็นไม่ไหวแล้วว่าถ้าจะมาปฏิเสธตอนนี้เนี่ยมันมันเห็นอัลลอฮ์วันเกียมานี่อัลลอฮ์ปรากฏตัวแล้วนี่ให้ทุกคนนี่เห็นข้อจริงแล้วเนี่ยของจริงแล้ว พระเจ้าแท้จริงและอ่างพระเจ้าแท้จริงพระเจ้าบอกว่านี่นรลกเข้าไปเขาบอกว่าคนที่ยอมเข้านี่นะนั่นแหะคือผู้ศรัทธาจริงๆริงไอ้คนที่ไม่ยอมเข้านี่นะอบุเรงจริงจต่อหน้าต่อตาต่อหน้าอัลลอฮ์นี่ยังจะปฏิเสธไม่เหลือแล้วไม่เหลือนี่คือสอบพิเศษฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ย ที่จะถูกลงโทษถ้าจะถูกลดในในวันเกียามันต้องเส ม, มอภาคในการรับและรู้สารที่มาจากพระเจ้าอันนี้เส ม, มอภาคแต่มีส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่เส ม, มอภาคคืออะไรฮิดายะวะลาฮุยะดูอิลัยดาริสอัลลอฮ์เราะบัลลัลาาลล เ, เชิญชว น, ท, นทุกคนทุกคนนี้มีสิทธิที่จะถูกเรียกร้องเชิญชวนแต่ไม่ใชทุกคนที่จะรับความช่วยเหลือ ให้ตอบรับแะย่ำดีเมื่อะช้าไปสิรัติมุตสติม่ละสูงชีนะแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสง ت ت ت ت ت ت ค์คนที่จะรับความช่วยเหลือให้ตอบรับนีนะอันนี้เนี่ยพิเศษไม่ทุกคนอัลลอ์อาจจะฮดายะบางคนฮิดายะบางคนฮิดายะตรงนี้นี่หมายถึงว่า บางคนอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องเสียเวลาเยอะไม่ต้องลดอัลลอฮจะช่วยเหลือให้เขาได้รับรู้และเข้าใจสาที่มาจากพระเจา้าและหัวใจเขาก็จะสงบกับศีจธรรมไม่ได้นี่ทางนำ น, นี่อัลมาขึ้นไปให้ได้ทุต่อฟิกฮิ้ายะ วอย่าดีกิด้ยแต่ไม่ใช่กิได้ยะที่ทุกคนได้นะกิด้ยที่อัลลอฮให้นี่ขอใหฟ توفيق ว่าอัลล์ช่วยเฉพาะอัลลอฮ์จะกระทำคนนี <ا> <ت ص في ق> <ال ل> ้เหมือนละหมาดทุกครั้งที่เราละหมาดเนี่ยให้รู้ได้เลยในบะชาอิสลามเนี่ยมีกี่คนรู้ว่าตรงละหมาด เราใช้ให้อิสลามเกือบทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าต้องละหมาดยังมีกี่คนละหมาดมีไหมที่รู้ว่าต้องละหมาดแล้วไม่ละหมาดมีไหมแต่การที่เรามาละหมาดนี่รู้ได้เลยเนาะเราเลือกนะเลือกเราเนี่ยคนที่มาคนนี้มายืนตรงนี้มาเข้าเฝ้ามามาทําหน้าที่ในบาดาต่อฉันเราเลือกแต่มันมีเหตะใดนี่อัะไรนี่ยจะคือเหตุใดตุลอิรชาดนี่ อิดายนี่ก็คือแนะนำแนะนาให้คนได้มาเนี่ยอันนี้ Allah แนะนาหมดเลยเหมือนอายะที่ Allah เนี่ยบอกว่าอัลมาซมูดูเฮไดน่าฮุมชาวซมูดเนี่ยของกลุ่มชนนบีซาร์เนี่ยฮไดน่าฮุมเราให้อิดายาแล้วฮไดน่าฮุมฟัสตะับุลละอมาอัลฮุดะจะเขาเลือกที่จะเป็นตาเป็นคนตาบอดหรือบอดใจบอดอัฮุดเลือกที่จะบอด และไม่เอาคุดาไม่เอาท่านน่ะเขาเล่ามาเรีกว่าฮิดายะตรง น, นี้ที่ให้สมุดเนี่ไม่ใช่ฮิดายะที่ توفيق ม่ใช่ฮิดายะที่เ l า a h จะรงเรือกให้คนเนี่ยมาเข้าสัจธรรมของล l l a h นี่ไม่ฮิดายะนี่หมายถึงว่าได้เปิดสัจธรรมเนี่ยให้มีแสงสว่างมีความสว่างให้เห็นให้ ร, รู้รู้แล้วนี่ทุกคนในเรื่องนี้เนี่ยนะทุกคนเนี่ยเสมอกันทุกคนเนี่ยต้องรับรู้เหมือนกันต้องรับรู้อันนี้จะ ข, ขาดไม่ได้ อันน <ion> <ida> ี้ถ้าขาดเนี enfin ่เราไม่เอาโทษการแนะนําความสว่างของสัตธรรมเนี่ยถ้าคนไม่เห็นเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยไม่เอาโทษในทางที่สุรอมุสตะกีมทางที่เที่ยงธรรมต่ความหมายคุตตานของอาจารย์เดเรกเนี่ยทางที่เที่ยงตรงเที่ยงธรรมกับเที่ยงตรงก็ใกล้เคียง แ น, นี่อันนี้ให้เข้าใจว่าหนังสือความหมายพุอ่านที่เราใช้เนี่ยก็คือหนังสือความหมายพุทอ่านของสิทธ์เก่าระดับหนังสือความหมายพุทธานของสิธิ์เก่าระดับเนี่ย <c oughs> ทำหลังอาจารย์ดีๆแล้วนเวลาเขาแปลเนี่ยเขาจะต้องไม่เหมือนแปลถ้าเหมือนเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่บางคำเนี่ยเขาก็ต้องเลี่ยง เขาที่เรกนี่แปลว่าแนวทางที่เที่งตรงเขาก็เลยแปลเป็นแนวทางที่เที่งทําถ้าเราสังเกตดูนะอันนี้คือเหตุผลว่าเราเราจะได้ข้อเท็จาริงบางคำนี่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องต้องต้องแปลต้องต้องความหมายคุตตะหลายอันก็เหมือนกันถ้าเราไปเอาไปเปรียบเทียบอนะเรเปรียบเทียบเราก็ต้องเราก็ต้องมีแหละคนที่มาทําที่หลังเนี่ยเขาก็ต้องเลี่ยงให้ให้ดูสวยกว่าให้ สัมนวนไม่เหมือนกันมันก็คือความหมายไงเพราะเพราะการทําไม่เหมือนเนี่ยนี่เป็นความหมายมันไม่ใช่ตัวบทไงมันเลี่ยงได้มันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบทพูดอานแต่พูดอ่านที่เราจะเลี่ยงคําอ่ะเหมือนที่ชาวคอมีิวเตอก่อนนู้นนะเขาเปลี่ยนคําอันนี้ไม่ชอบอันนู้นอันนี้ตัดอันนี้ไปอันนู้นไม่ได้สัมนวนที่เป็นภาษาอับนีษเปลี่ยนไม่ได้แต่ความหมายนี่ข้างล่างนี่นี่ภาษาไทยนี่พูดอ่านไหม มีพี่น้องเขาเลยรำฮัดีะเป็นความหมายกุตตานภาษาไทยของยุสอัลมาเขาแล้วเขียนยุสอัลมายุสอัลมาแต่ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็มีความหมายภาษาไทยคงก็ไม่ได้เราต้องเขียนด้วยว่ามีความหมายคุตตานภาษาไทยเราเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าทั้งกุตตานนี่เป็นภาษาอังกฤเป็นกุตตานและแต่ทั้งความหมายนี่ก็เป็น คุณอานด้วยอ่านี่ซึ่งความเข้าใจคาดเคลื่อนอันนี้มันมีโอากาสเกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่เข้าใจความลึกซึ้งของของประเด็นนี้ข้อแตกต่างสำนวนบทที่เป็นภาษาละมินี่เลยคุณอ่านเท่านั้นขอให้แปลคำต่อคำนะสูนแแปลคำต่อคำมานไหนแปลคำต่อคำเนี่ยมันก็จะไม่ใช่คุณอ่านต้องเป็นภาษาละเป็นเดียว ทีนี้ต้องเกิดข้อสงสัยบ้างว่าถ้าอัลลอฮ์เจาะจงบางคนที่จะให้ฮีดายะพิเศษย า, ยากดีไม่เช่าที่พระองค์ทรงประสงค์เราเข้าใจกันดีนะครับว่าการียาของอัลลอ์เนี่ยย่อมประเสริฐกว่าการียาของมนุษย์ทำไมเพราะมนุษย์เนี่ยทำอะไร ปฏิบัตรอะไรบางทีมีเหตุผลบางทีก็ไม่มีเหตุผลจริงมั้ยพังทําไมทําเรื่องอู้อยากจะทําเออเออทำไมอยากทำมาก็เงียบพอแล้วไม่มีเหตุผลไมอยากทำนี่มนุษย์ที่มนุษย์ษ <c oughs> แต่สําหรับอัลลอฮฺสุบฮานะอวดาละไม่ได้อัลลอฮฺทรงประสงค์ ทำไมราบอว่าอัลล์นี่ไม่มีอะไรทําแลไม่ล่ไม่มีเหตุผลยอมมีเหตุผลทําไมเพราะในพระนามของอัลลอฮ์ س ب ะพระนามนี่อัลฮะกีบผู้ทรงปรีชาญาปรีชาปรีคนปรีชาคนมีสติเพราะคนที่มีความปรีชานี่คือ ทำทุกอย่างนี่เหมาะเจาะคนฮักีฮ <laughs> <laughs> ัก <uniforms repeating. raul s> ีมเนี่ยเหมาะเจะทุกอย่างนี่ม <million really hac> ีเหตุมีผลไม่มั่วไม่ละเทอะมีสติไงเพราะถ้ามีละเทอะล่ะมัมีสติมั้คนละเทอะละลทํามละละละมีสติมั้ยแต่ Allah حكيمحكيم เนี่ยแสดงว่าไม่มีอะไรที่ Allah ทำเนี่ยไม่มีเหตุผล ต้องมีเหตุผลอ้อัลลอฮ์ีให้คนนี้เนี่ยให้ฮีดายะอปะแต่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปค้นหาอะไรเยอะไม่ต้องไปดินด้นรนอะไรเยอะนะทฮีดายะได้เลยเป็นผู้ศรัทธารับสัธรรมรับรู้ศัธรทได้เลยง่ายๆต้องมีเุลาจึงบอกว่าอายะนี้นี่มันเกี่ยวกับอายะหลังจากนี้เนี่ย ยากดีไม่อยาชั tota ่วอัลลอฮฺให้ทางนําแนะนําำสัจธรรมเนี่ยสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์สู่แนวทางที่เที่ยงธรรมที่เที่ยงตรงสําหรับใครอ่ะลิลลัดีนะอัลฮันูสำหรับบรรดาผู้กระทําความดีอะความต่อเนื่องของอายะนี้มันเกี่ยวกันแต่เดี๋ยวเราจะอ่านอายะนี้นะมันจะเกี่ยกับเรื่องการตอบแทน แต่เวลามาบอกกันไม่ก็อ่านสองอายันนี่ติดติดกันนะนะจะเข้าใจเลยว่าที่อัลลอฮ์ให้ฮิดายะเนี่ยเหตุผลของอัลลอฮ์เนี่ยให้ฮิดายะพิเศษนี่นะสําหรับคนที่ทาความดีมีนะใช่ดิคนที่ทําความดีมีความดีย่อมมีเหตุผลที่จะรับฮิดายะพิเศษนี่นะมากกว่าคนที่ไม่ทําความดีหรือความดีน้อยกว่า แล้วเป็นเหตุผลเพียงพอเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้คนบางคนเนี่อรับขีดายะก่อนคนอื่นหรืออาจจะต้นทุนของเขาในการรับสัญธรรมเนี่ยอาจจะ น, อน้อยกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะเขาไปลงทุนเขาไปลงทุนในเรื่องคุ ณ, ณธรรมความดีก่อนที่จะรับขีดายะเพราะ น, นันแสดงว่าความดีนี่นะ คุณธรรมมันเป็นเรื่องสากลไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาหนึ่งศาสนาไม่ได้เจาะจงศาสนาเดียวใช่คุณธรรมโดยรวมนี่มันเป็นเรื่องสากลมีทุกทุกศาสนาความดีตั้งอยู่ต่อพ่อแม่ทำความดีกับคนยากจนสอนความดีสอนคนอื่นทำความดีกับค น, นช่วยช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสากล แล้วของสากลแบบนี้นี่นะไม่ต้องมาหาเหตุผลจะได้ชี้ว่ามันเป็นความดีคนคนหิวแทบจะตายแ ล, แล้วเราเอาอาหารมาให้เขากินไม่มีใครจะเถียงนะเอะเอ็เองทำไมทำแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายไมายถึว่าที่ไปช่วยคนหิวเนี่ยนะเป็นเรื่องเลวร้ายอะนะไม่มีใครไม่มีใครจะกล้าบังอาจมาม า, มาตำหนิว่านี่เป็นเรื่องเลวร้ายคาว่า ความดีคุณธรรมนี่เป็นเรื่องสาวกนี่หมายถึงว่ามันถูกปูกฝังภายใต้ติดํานิตรเราเรียกว่าฟิตรอทธรรมชาติมันเป็นธรมมนนธรมชาติที่มนุษย์ทุกคนในโลกเนี้ยรู้เกิดมามีพ่อแม่นี่ ร, นรักพ่อแม่ก็ดันอยู่ต่อเพราอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเอาอะไรมาพิสูจน์มายืนยันว่าทําดีกับพ่อแม่นี่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่น่ายกย่องจึงเป็นเหตุผลหรอ คนที่ทำความดีนะก่อนที่จะรับรู้ศัจธรรม ท, ที่สารที่มาจากพระเจ้าอาจจะเนี่ยเขาไปลงทุนตรงนี้อ๋ก็อกว่่ลงทุนตรงนี้เนะี่ยเป็นเหตุผลที่เอาไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องค้นหารายละเอียดของศัจธรรมต้องมาเรื่องกต้องมาเรื่อง พระเจ้ามีจริงหรือไม่จริงก็ต้ศึกษาบางคนก็ต้องใช้เวลานะใช้เวลาบางทีก็เห็นใจเขาจริงๆเกิดในสังคมอ่านหนังสือปัชญานี่วัตถุนิยมน่าสงสารจริงๆคือพวกนี้เนี่ยชีวิตทั้งชีวิตนี่แหละทุกอย่างนี่อธิบายตามวิทยาศาสตร์ใช่ไหมทุกอย่างนี่ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องวิทยาศาสตร์ไง แต่จะมาบอกเขาสวรรค์อมตะในร ล, ลกตลอโลกอู้นี่นี่คือสิ่งที่คือปัญญามันเขานี่คือปัะญาราที่สุดเรื่องลึกมากเลยคนพวกนี้นี่กว่าจะติดถึงจุดที่จะศรัทธาในสิ่งรึนลับนี่นะโอ้โหเห็นใจเขาจริงๆริาคนต้องใจยเย็นๆนะบางคนนี่ต้องใจยเยืนๆเชื่อในพระเจ้าอย่าว่าจะเชื่อในพระเจ้าอน่ะ เจ้านายตัวเองยังไม่ยังไม่ยอมรับเจ้านายเจ้านายที่ดุๆนี่เนยังไม่ยอมรับในเจ้านายเนี่ยจะไม่ยอมรับในพระเจ้าพระเจ้าที่จะกํากับทุกภาคส่วนในชีวิตเนี่ยโอ้ไอเจ้านายนี่มันบอกว่ามึงเหย็นกินน้ําชาตอนพักกูยังไม่เอามันเลยมันแล้วจะมีพระเจ้ามาบอกว่าไอเล่าอย่ากินไอนู่นอย่ากินไอนี่ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้นี่จะยอมง่ายอ่ะเนหลงนึกภาพนะ อัลลอฮ์บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวเองจะมีความดีพอไปทำความดีนู่นนี่ไปลงทุนมาเยอะแล้วเนี่ยฉะนั้นเรื่องข้อสงสัยอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคนี่นะอัลล์เนี่ยจะดีลิทหมดเลยคันซึน่ดีลิทเข้าสู่สัจธรรมง่ายเลยถแรกหนึ่งครับศรัทธานะมีเห็นเห็นแบบนี้ยอะเนื้ เยอะเลยมีเรื่องที่ผมชอบเล่าเพราะเป็นเรื่องที่โอ้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องอภินิหารผู้หญิงวัยรุ่นชาวอเมริกาคนหนึ่งผู้หญิงวัยรุ่นไปบอกพ่อว่าฝันบ่อยในชะ่วงฝันฝันเห็นกล่องสีดําสีดําๆในกล่องสีเหลี่ยมสีดําๆแล้วก็มีคนเดิน ร, บรอบๆกล่องอะไรก็ไม่รู้ นานแล้วนี่หลายสิบปีแล้วพ่อเขาก็งงลูกก็พางงมืออะไรของนำต้องก็ไปถามไปถามเพื่อนเพื่อนกล่องดานี่นี่เปล่านี่นู่นของพวกมุสลิมป่าเอาก็เอารูปมาดูกันเขาก็เอารูปนี้ไปให้ลูกสาวดูนี่นี่อะไรที่เกิดนี่อะที่เกิขาไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้กามเปาเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้เอานี่อะไรอยู่ดีๆก็มาโพลที่ฝัง ก็ไปศึกษาและสุดท้ายในกราบุษกาทำไมเนี่ยเราทำไมเลือกให้คนนี้เนี่ยได้ได้เห็นได้รับรู้คุณบอกว่าเรื่องรุยาเนี่ยเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเราส่งเรื่อกทั้งนี้อายะเนี่ยอายะที่26กเนี่ยก็จะพูดต่อเนื่องนะสำหรับคนที่ทําความดีเนี่ยเขาจะมีการตอบแทนที่ดีแต่เรากำลังบอกว่ามันก็ต่อเนื่องจากอายะก่อนหน้านี้เนี่ย الله دع بقى ويهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم لا فرق مسومشينا نهجاً الذي هو مسومشينا نهجاً الذي هو مسومشينا نهجاً الذي هو مسومشينا ล ه ج ا ً الذي هو مسومشينا نهجاً الذي هو مسومشينا نهجاً الذي هو مسومشينا نهجاً ا ل ذ ا ل ن ا ن ه ا ي هو ا ج ا ل ذ ا ل ن ا ا ل ن ا س م ا ا ا ل ه م س و ي ا ه ا ي س ي ن س م ن ا و ا ا م للذين أحسنوا الحسناء. سمعنا ك ق و ل إنها كم قامدية تؤدي رب ق ا م د ي ح س ن ا حسناء. نكون أول بيدان شو يأنا ح س ن ا حسناء. ياه ح س ن ا حسنة، حسن، حسين. ما ما أني قامدية. قامدية. 但 حسناء نى مبن كمصاب حديد กูนะแล้เด <art> ีู๋ช้ฮัสันฮัสันฮุัยนี่ะความดีตัวน้อยฮุสัยความดีตัวน้อยอัันดีกว่าอัลันดีกว่าฮนะความดีอย่างหนึ่งฮนะ เหลนี้นะอัพสันคนที่ทความดีขุสนเขาจะได้ความดีแต่ความดีตรงนี้หมายรวมสวนสวรรค์ไงจะได้รับความดีทำไมอ่ะเพราะไม่มีการตอบแทนใดๆที่เราสุภานวดาจะตอบแทนพวกเราในปรจจุ นอกจากส่วนสวัสด์การตอบแทนในโลกนาหนา่ะไม่มีอะไรที่ตอบแทนนอกจากส่วนสวัสด์ฉะนั้นคนดีโผมาเจอตัวเองวันเกียรมาวันเกียรมาคือคนที่ มืนฟื้นคืนชีพในวันเกียร์มาเนี่นะไม่ต้องคิดมากคือไม่ใช่ว่าเออโผล่มาวันเกียร์มาเนี่ยฉันสวรรค์นแน่ไอสวรรค์นแน่ไปนรกแน่ไม่คือเราเนี่ยในโลกต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยเรามีสติใช่ไหมแล้ววันปรโลกนี้มีสตินี้แหละที่เรามีตอนนี้นี่เนี่ตอนนี้นี่แหละ ก็จะมีในวันเกียมาแต่คนที่มีสติครบถ้วนสมบูรณ์สมประกอบในโลกนี้รู้รู้ว่าตัวเองทําอะไรมาสมมติถ้าคนนี้ทําอะไรผิดกฎหมายนี่พอเจอตํารวจมานี่นะแล้วก็มีกุญแจมือมีอะไรเฮ้ย ม, มันมาทําไมวะไอคนที่ทำผิดกฎหมายรู้ตัวแล้วฟื้นคืนชีพบนเกียมานี่คง คงไม่ได้ไม่รู้รู้ไงว่าทำทำอะไรไว้รู้ใช่ไหมรู้สิแล้วรู้เช่นเดียวกันว่าคนดีสะสมความดีเพียงพอเนี่ยหมายถึงว่าคังความดีเนี่ยบัญชีความดีเนี่ยโอ้โหโคตรเหมือนเหมือนสารท่านนึงชื่อดูดิชื่อเขาบอกว่าคนคนนี้นะนะ ถ้าไปบอกเขาพุ่งนี่วันเกียร์มานี่นะเขาเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วทาเพิ่มอะไรไม่ได้และวทาไมอ่ะเพราะกิจาวตารางทําความดีของเขนมันเอียดมันเต็มอยู่แล้วขอให้บอกว่าพุ่งนี้วันเกียร์มากนี่มันทําอะไรบ้ามันะมันก็เวลามีแค่นี้อนะ่ะสุดๆแล้วแล้วคนพวกนี้นี่คนนี้ก็ขยันกันแบบนี้เนี่ยเตียมไม่วันสําหรับวรโลกอย่างเดียวนะ คือฟือน้นคืนชีพบนเกียร์มันนี่ผมว่าเขาไม่เขาไม่ต้องกินพาราสเทมันนะเขาต้องปวดหัวคือไม่ต้องมานั่งคิดว่ากูจะไปไหนเ่โลกคือเขาน่าจะสบายใจไอ้คนดินต้อ ง, ต, องต้องกังวลในเกียงพวกเรานี่แหละไม่แน่นอน ดีก็มีชั่วก็ไม่แพ้ไอสูสีนี่แหละในไอดีที่เราทํานี่ก็ทําดีไม่ค่อยดีหมายถึงว่าทำไม่ค่อยเรียบร้อยอนักเนียนหนกลัวจะทํำยังไงอะให้เราอยู่ในหมู่ผู้กระทําความดีที่มีความแน่นอนมีสองอย่างสองอย่างนะจะไม่ดีหนึ่งทำความดีให้ยอะ เยอะจนเรารู้สึกรู้สึกว่าเยอะอะยอะเยอะมากอะสามารถฟันธงกับตัวเองว่าทำความดีมากกว่าความชั่วแน่นอนเนี่ยมันมันช่วยปลอบใจหรือทำความดีที่มีคุณภาพทำความดีอะไรบางอย่างที่มันทำความดีกับพ่อแม่อะไรที่มันมีคุณภาพ พอบางทีความดีบางอย่างเนี่ยทำแล้วนี่นะํามห่เราอุ่นใจว่าต่เหมือนคนในบอกว่าเนี่ยบัญชีไม่มีบัญชีมีกี่บาทไม่มีแต่พอดีโตูเซฟตเซฟไว้ในธนาคารเก็บเพชรเม็ดหนึ่งไอ้คนแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรในบัญชีนะนะคนก็ไม่ได้สนใจเนี่ยผมเพราะเขามีอะไรยิ่มันยิ่งกว่าเงินในบัญชี เพชรก้อนหนึงมูลค่าของมันนี่นะโอ้โหทำความดีให้เยอะ ل นเหล่าท ن ่น่าอัพสัทำดีอ ح س สันนี่ทำดีลองนึกภาพนะอัลลอฮ์จะวันกียร์มาเนี่ยอ๋อไอ้คนนี้ทำดีแล้วเราจะอยู่ในสถานะในสภาพไหนที่ได้ฉายาได้ถูก เรียกจาะเอาอมาไอหมอนี่ทําดีแล้วอะพวกเราไปคิดกันเราเองนะครับแต่เราเป็นเจ้านายของเรานะเหมือนเรานี่ในโลกนี้เนี่ยเรามีเจ้านายแล้วก็เจ้านายนี่บอกกับลูกน้องลูกบนไอ้ลูกน้องคน น, นี้ทําดีแล้วแสดงว่ารอดไงหรือเราสอบทุกคนเนี่ยก็ไปเขียนข้อสอบแล้วอาจารย์บอกผมอ่านแล้วนะที่บ่าคุณเขียนข้อสอบหมดเลยเนะี่ย คนเนี้ยคนเดียวทําดีแปลว่าว่าผ่านสอบผ่านเสนุหนทําดีเขาอาจจะไม่ได้ตอบข้อสอบทั้งหมดก็ได้นะใช่ไหอาจจะมีคำถามที่ตอบผิดก็ได้แต่อาจารย์ถ้าเขาบอกว่าทาดีก็แสดงว่าโดยรวมมนะันนความดีบางอย่างนี่นะอย่างที่บอกว่าถ้ามีคุณภาพนะมันอาจจะกลบ ความชั่วตัวอื่นได้เช่นอดทนอดทนบุตทดสอบแลอดทนเราทดสอบให้คนตาบอดอย่างอีดบตลตอับดีบฮบีตฮะตฮารีถ้าฉันได้ทดสอบเบาของฉันคนหนึ่งคนใดด้วยดวงตาของเขาสองข้างฟาอบบ แล้วเขาได้อดทนแล้วเนี่ย ليس له جزاء عندي إلا الجنة เขาไม่มีอะไรต่อแทนดีฉันจะมอบให้เขาอีกนอกจากสวรรค์่างเนี่ยล้วคนตาบอดไม่มีความช่วยอะนี่อาจจะมีความช่วยก็ได้แลวต้องอดทนนะแต่เว่าตาบอดล้วก็รู้ไปบนไปดูสิเอาเราทำยังไงคนอื่นรู้ ผมมองเห็นดีทุกอย่างแต่ฉันเนี่อันนี้ไม่ได้อดทนไม่ได้แล้วผลละมันอดทนต้องอดทนเสมอด้วยมีอะไรบนๆ น, นี่ก็เก็บไว้ในใจอย่าพูดสำคัญที่สุดก็เลยอดทนเนี่ยคุณค่าของอดทนเนี่ยสูงมากสามารถกบทุกอย่างที่เป็นที่เป็นที่นี่หากแตชาวกตุโยชากาน้ำน้ำชิ้นเดียวนีย ไปโดนแล้วนี่นะอัลลอฮฺจะลบล้างความชั่วความชั่วที่เราได้ฝ่าฝืนหลักการนะอัลลอฮฺอาจจะให้น้ํำที่น้ําเสียวหนึ่งนะน้ําเสียวลบล้างความชั่วแต่ต้องอดทนไม่ใช่พอโดนน้าแล้วนี่เดี๋ยวก็ถ่ายรลกนคนทั่วโลกนี่เขารู้เลยว่าอ๋อหนูโดนน้ํา โดนโดนนี่โดนโด น, โน้ามีหนึ่งถ่ายรูปอีบ่นด้วยนามีถ่ายดูอันนี้บนอันนี้ไม่สบัยเขาบอกว่าสำหรับคนตาบอดไปข้างหนึ่งตางเขาเขาเห็นทั้งสองสองข้างนะแต่ช่วงแก่นี่ตาเนี่ไม่เห็นไปข้างหนึ่งเขาปรัรบกับลุกศิษย์เนี่ย อกว่าอดทนนะอดทนแล้วก็อย่าให้ใครได้รู้บททดสอบนี่ฉันตาไม่เห็นข้างหนึ่งภายาที่บ้านยังไม่รู้เลยคือสารัตกะกอนนั้นนะคนรุ่นก่อนเี่เขาเขาถึงเขาเรีย ก, กว่าสารัฟเนะี่ยคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาทำอะไรบอกว่าเราเราตามไม่ได้หรอกไม่ทันหรอกอย่าว่าจะตามบ่อนไนอะ้นี่ เราแค่ตัวร้อนนี่รู้กันทั้งบ้านเลยทั้งซอยเลยทั้งซอยเลยอ๋ อ, อ, อนี่ตัวร่ตัวรอ้อนอนนี้เป็นไข่นนี้เป็นโควิดอันนี้เจ็บอันนี้นูดเป็นปนูดวันนี้ไปหาหมอเป็นยังไงบ้างอ่โอโ้โหบางคนนี่ถายหมดเลยนะไปไปไปหาหมอนี่หมดเลยยากระถ่ายปนะระกาศว่าตัวเองนี่กินยาอะไรบ้าง นี่ของพวกนี้หนูก็เล็กน้อยจริงๆอะนะแต่มันมันสวนทางกับเรื่องอดทนนี่ไม่อดทนไงเราเราเราบน่นอะเราบ่นเราเราช่วยบอกช่วยประกาศความบททดสอบ ข, ของเราไม่ดีไม่ดีในเะรืองอที่เราเมตตาทำความดีต้องได้ความดีความดีนะี่คืออัลนฮะุสนาอัลฮุสนาคืออะไร ได้รับความดีความดีอัลฮุสนางนี้เนี่ยเอกาัลเลนะซาบะเอเอกชัลเลอธบคขาวาอัลฮุสนาดงนี้เนี่ยก็คือสวรรค์คนที่ทาความดีก็จะได้สวรรค์อิลลัดีนะัลฮุสนา้บอกว่าอัลฮุสนานี่ก็เป็นหนึ่งฉายาของสวนสวรรค์เหมือนที่มีสวรรค์ชั้นนึ่งชื่ออัลฟรเาวสูงสุดเนี่ย เป็นฉายาของชั้นสูงสุดของบรรดาสวนสวรรค์จดนนาดอาดนก็เป็นชื่อของสวนสวรรค์ชั้นสูงสุดมีคล้ระหว่างอุลามาว่าอันไหนสูงกว่าจนนาอดนินหรืออัลฟิรดาวสายูอฟิรดาวสีชั้นสูงมีดเต แสดงว่าจ น, านีอุดมคติฮุสนาเี่อุลมามะบางทนบอกอก็เป็นฉายาของชั้นหนึ่งในสวนสวรรค์ฮุสนาแต่สหรับอัลลอฮ์นี่นะไมไ่ตอบแทนความดีต่อความดีไม่มีทําดีแล้วก็ได้ความดีสาหรับอัลลอฮ์นี่ต้องมีแถนเพราะอ AH ัลลอฮ์นี่มีพระนามว่าอัลวะฮ มีพนันว่าอัลกอเรียมมีใจบุนใจบุญนี่ให้ให้เยอะเนี่ยให้เยอะแต่อัลกอเรียมเนี่ยให้เยอะนี่ยให้เยอะนีมีเหตุผลต้องมีเหตุผลแต่อัลวะฮับเนี่ยให้แบบอาจจะไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ให้ัเราอยากจะให้เหตุผลนี่ก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้ให้อวะฮับเนี่ยให้โดยที่ไม่ต้องมีใครขอ เอเมนดึกองอิมันบุการี ت, อววัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ครับขดชาวสวนบีเสีตงโดยเสียงจะสหูมันเบาดะกมัน ق ر ชาวสว์จะได้ยินเสียงของพระองค์แม้ว่าจะคนไกลหรือคนใกล้ก็จะได้ยินเสียงแสดงว่าเสียงอัลลไม่เหมือนเสียงเรานี่นะเสียงมนุษย์นี่นะขอย ไม่ดีอะไรดีนี่นะคนไกลก็ไม่เหมือนคนใกล้ใช่ไหมเสียงของอัลอนี่ไม่ใช่เนี่ยเล่นเซกมิสลีนี่ไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรอัลลอฮ์จะพูดชาวสวรรค์นี่ได้ยินหมดเลย <c oughs> เห็นยังไงกันบ้างอในสวรรค์เนี่ยมีความสุขไหมชาวสวรรค์นี่ก็จะสันเสริญอัลลอฮ์สุภาพนาบอตาละพระองค์ท่านนี่ได้โปรดให้เราได้เข้าสวรรค์ ได้โปรดให้เราได้เสวยสุขในสวนสวรรค์เราไดา้ได้บริพโลกแต่เรื่องดีๆเรื่องอร่ อ, รอยสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮ์อย่างดีอัลลอฮ์บอกว่ายังมีอีกอาจะมีอะไรอีกแล้วเราอยู่ในสภาพที่แบบทุกคนแล้วว่าสวรรค์อย่าคนที่เข้าสวรรค์มีนะไรกันคือแค่รู้ว่า คนที่เลวที่สุดในบรรดามนุษย์ที่จะเข้าสวรรค์นคนสุดท้ายในบันทึกบุญบุคคลมุสีคนสุดท้ายที่จะเข้าสวรรค์นี่คือคนที่ไปอยู่ในรกในรกนี่จนนานที่สุดนะในบรรดาผู้ศรัทธาที่ทาความสุขยุกมากเลยอะแล้วก็ต้องไปอยู่ในรกนี่มันลุกเกลียบ ม, ม่ลุกกินกี่พันปีแล้ววะ แล้ว ก, ก็ออกจากออกจากนรกเนี่ยรอที่จะเข้าสวรรค์ยังไม่เข้าพออยู่ในตอนอยู่ในนรกเนี่ยไม่ไหวแล้วอยู่ในรนรกในม่รลุกี่รอบแล้วอ่ะโอ้อ็มว่าขอฉันออกเถอะไม่ไหวออกจากนรกอย่างเดียวเนาะโอ้ขอให้ออก อ, อย่างเดียวเลยข้าพเจ้าจะไม่ขออะไรอีกแล้วสาบานนะสาบานเอาออก พอออกอย่างนรกแล้วนี่ได้กินายจากสวรรค์เหมือนเหมือนน่าจะเหมือนอะไรพอผ่านหน้าเซเว่นอะไรเงี้ยย <c oughs> <c oughs> ตัวอย่างเดิหน้าห้างอะไรเงี้ยคแดดมันร้อนเข้าชุดเสื้ออะไรแบเข้าเข้าทกองเขาเคเห็นไอสวรรค์ยิ่งเ โ อ, โอ้อัลลอฮอยู่ใกล้นรกนี่อมันไอ้นรกนี่มันร้อนอ่ะใช่ไหขอให้ห่างจากนรกเนี่ยอยู่ใกล้สวรรค์นิดๆๆนิดนิดนิดนิดนสาบาดลนลิดนวดนิดนิดนิอนิดนินนิดนดนิดนิดนิดนินนิดาาาาา น, นินนิดนิดนิดนิดน้านิดนิดนิดนิดนิดนินไดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนิดนนิดนิดนินินินินิดน ข้าวสวรรค์ก็อยู่กันอย่างงี้เองโ อ, โอ้อัลลอฮ์จอันนี้คนสุดท้ายนะคิดไมด้ว่ากเกเรขนาดไหนอ่ะโอ้อัลลอฮ์ข้าวสวรรค์เลยเอาไหนว่าไม่เนี่นี่คือสุดท้ายจริงๆได้เท่าที่เจ้าได้เห็นนะนะแล้วเจ้าจะได้ สิบเท่านี่คนสุดท้ายที่ออกกันรกนะสิบเท่าอีูคนสุดท้ายนะคิดดูสิคนนี้เนี่ยพอเข้าสวรรค์แล้วนีนวนวนน่นะผมจบไงแล้นะวจะอยู่ในสวรรค์นี่ตลอดกาลน่ยเขาจะไม่พอใจอ่ะพอใจที่สุดแล้วเลาบอกว่ายังชั้นยังมีอีก <c oughs> อธิษฐานหนึ่งนบีอ่บีบอกว่าอัลลอฮฺสุบฮฺฮาลจะบอกว่าพระองค์ จะให้พวกเจ้าเนี่ยได้รับความพอพระทัยจากข้าอุฮิลลุอาไลกุมริดวานีฟะละอัซขะตุอาไลกุมข้าจะไม่โกรธพวกเจ้าอีกแล้วและข้าจะพอพระทัยองคเจ้าตลอดไปซึ่งพอความพอพระทัยนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกค น, น่ต้องการเราเข้าสวรรค์ น, นี่ซึ่งสวรรค์ น, นี่เราต้องการ พอเข้าสวรรค์แล้วนี่นะเราได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความพอพระทยของอัลลอฮ์เนี่ยที่เราต้องการในโลกนี้เนี่ยเรายังยังไม่รู้ว่าเราเราได้แค่ไหนเนี่ที่อัลลอฮ์จะมาประกาศเหมือนเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณของพระทยอีกบดหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ายังมีอีก จะให้พวกเจ้าทั้งหลายชจ้าสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยได้เห็นพระพักของข้าเห็นพระพักท่านอบูบัตรแล้วก็ซาฮาบะประมาณซีคนนี้นะได้อธิบายคําว่าวิยาดะคนที่ทาความดีได้ความดีและได้เพิ่มขึ้นอีกวิยาดะเพิ่มขึ้นอีกแถมนี่นะก็คือเห็นพระพัก มีฮาดีซิมันด้มาอามันชาวสวรรค์ทุกคนเนี่ยจะเห็นพระคัมภีร์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเกณฑวันไหนอะวันศุกร์อันนั้นสวรรค์มีด้วยอะมีสัปดาห์มีวันศุกร์มีอะมีแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโคจรของดวงดาวในโลกนี้แล้วนะไหมก็จะเป็นการจัดสรรวันเวลาในในสวนสวรรค์เนี่ยตามระบบของสวรรค์แล้วนะแต่ก็มีมีสัปดาห์แล้วก็มีมีวันศุกร์ แต่วันศุกรนี่ไม่ได้วนศุกรนะวันสุกเนี่ยจะถูกเรียกว่าเยาวมูลารูปะเยาวมูลารูปะไปว่าความแห่งความรักเหมัอนบางอื่นปะแต่นั่นรักจริงนะควาแห่งความรักวันวันสุขเนี่ยจะเป็นตลาดนัด ชาสวรค์นี่จะออกมาเดินกันมาพบปะกันมาอะไรกันนัดกันทั้งหมดเนี่ยนัดกันมาทำอะไรกันนัดกันกันและรอที่จะมองพระพักร์ของสุวันณารูบะยกเว้นชาวฟิลดาสสว่า์ชั้นสูงเนี่ยเขาจะเห็นอัลลอะ์ชาวเย็นชาวเย็นชาว็พิเศษนะคนคนชั้นสูง่ อ้ในสวรรค์นี่มีน่อย่าคนชั้นสูงคนอยู่ชั้นต่ำไม่ในสวนสวรรค์นี่นะอย่างที่อัลลอฮ์บอกอีกว่านั้นคือไม่มีเคียงกันไงชาวสวรรค์นี่ที่อยู่ข้างล่างน่ะะเขาจะไม่เครืงไ ม, ไม่ไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเขาเคีืงนิดเดียเนยไม่อยู่สวรรค์แล้วถึงต้องถ้าเขาเครืงไม่แต่นิดเดียวนะไม่อยู่สวรรค์ะละแต่เขาอยู่ในสวรรค์นี่อัลลอฮ์จะถอน สิ่งเหล่านี้เนี่ยข้อด้อยข้อบกพร่องที่มีอยู่แล้วมันไม่มีไม่มีเรื่องเครืองเรื่องอิจฉาเรื่องกโกรธเรื่องไม่พอใจนี่นะในส่วนสวรรค์นี่ไม่มีตั้งใจว่าจะาที่บายอายายี่สิบหกกับยี่สิบเจ็ดให้หมดนี่เพราะมันต่อเนื่องแต่เวลาคงไม่พอก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเรื่องสองเนาะสำคัญหน้าที่พวกเราได้มีอายุสมรับประธานอายุให้เราก็จะมาพูดต่อได้แตมีนะพี่น้องมีคําถามไหม คำถามแรกเกี่ยวกับเรื่องสกาศครับเอ่อสมมติว่าเรามีเงินอยู่สองห0ื่นบาทกรจาออกสกาศส 0,000 ่บาทโดยผ่านกองทุนกองทุนหนึ่งเนี่ยสองหมื่นบาทไม่ต้องออกอากาศก็เอแสนดีกว่าสองแสนแค่ไครับงแสทีนี้เนี่ยจออกอากว่าเงินเงินเงินก้อนเนียออกอกาศทั้งหมดโดยผ่านกองทุนกองทุนนึ่เอ่าที่จะไปกระจายให้กับครูสอนศาสมีต่างๆอย่าเนี้ย เขาจะกระจายไปแต่ละเดือนคือไม่ได้ไปให้ครั้งเดียวทั้งหมดได้คือถ้าอาว่าจะทําเองนะ่ะไม่ควรถ้าเจ้าของสกาศเนี่ยเขาจะขอสกาศเนี่ยสองแสนเนี่ยมีสกาศอยู่สองแสนเนี่ยแต่จะขอทยอยเป็นเงินเดือนให้นักกัญชาการหรือโต๊ะครูหรื อ, อครอคูสอนศาสนาที่ไม่มีไรายได้เนี่ยทยอยให้เขาเนี่ยตลอดปีถ้าเป็นดาเองนะ่ะไม่ควร แต่ถ้าเรามอบให้องคอ์กรเนี่ยออกจากกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยองคอ์กรให้คนได้บริหารในอันนั้นน่ะพอได้ทําไมเพราะอุลามาเนี่ยบอกว่าไม่อนุ ญ, ญาตให้ออกปะกาศล่าชา้าและล่าชา้าเนี่าช้านี่ต้องไปข้ามปีไปถึงปีนู่นอันนั้นไหนไหจะให้เงินเดือนตัวครูนี่จากสองแ0 0นี่ทีละสอง0 0ื่นทีละสองหมืนหมนหมนจนไปถึงปีหน้าอนะ่ะปีหน้านี่ก็ต้องออกปะกาศแล้วนะล่าชา้าในการออกปะกาศถึงมือคนยากจนเนี่ย ค่าปีแบบนี้อันนี้ไม่ได้ผิดแต่พอเราออกแล้วเนี่ยเราให้ไปแล้วเนี่ยคนอื่นหรือองค์กร อ, อื่นเนี่ยเราถือว่าให้ไปแล้วทั้งก้อนแล้วเขาจะบริหารจาัดสรรไปเรื่อยเวลาเนี่ยอันนี้ได้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยพอได้ผ่านองค์กรพบถือว่าคนที่ออกสากาศเนี่ยเขาพน้นพ้นหน้าที่แล้วในการออกสากาศในช่วงปีนั้นๆนครั บ, รบครับปรสถานครับเจอากระดิบน้องตัวไป ไม่มีฮ ادي ซ้อเหี้ยที่ห้ามใส่นิ้วไหนใส่นิ้วไหนก็ได้ทั้งชายและหญิงแต่สุนัข น, บ, นบีเนี่ยจะใส่นิ้วก้อยกับนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโปง้งนี่นบีไม่เคยทั้งทั้งทั้ ง, ท, ง, ท, งทั้งมือและเท้าทั้งมือและเท้านี่นบีไม่เคยใส่นะแต่เท้าเด็กผู้ชายใส่ใส่อหวนในในิ้วเท้าได้ได้ถ้าอยากจะใส่นะกระชื่นรองเท้าที่มัน ตอนเนใส่ได้เราไม่เจ็บ ก, กันผู้หญิงก็เหมือนกันน่ะมีที่บางที่แล้วก็ใส่แหวนเท้าของท่าน น, นิ้วเท้าแล้วแล้วสะด ว, วกไ น, นบีนบีเนี่ยจะใส่ทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายนิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วนาเนี่ยนี่เนี่ยที่เป็นซุนนะของท่านนะดีสามนิ้วนี่มันมีหดเป็ข้อห้ามมานะห้ามใส่แต่ข้อห้ามดอยแต่ผมก็บอกว่าให้ระวังนิดนึงถ้าสามนิ้วเนี่้ขึ้นมากว่า มีคนชั่วร้ายเนี่ยเขาจะใส่นิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วนางนี่เราก็ใส่ได้เพราะนี่เราตามสุนนะของท่านนบีแต่ถ้านิ้วอื่นที่นบีไม่ใส่เนี่ยแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของคนชั่วร้ายเนี่ยก็ไม่ควรเรียนแบบเขาเช่นสวนของเราในซอยเนี่ยมีมีกลุ่มโจนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยพวกเราใส่นิ้วชี้ตรงแหวนได้ไปถึงตรงกลางนี่นะนี่เป็นเป็นสัญลักษณ์ของโจนของซอยเนี่เราก็ไม่ควรที่จะ เรียนแบบเข้าใจได้หลีกเลี่ยประมาณนี้แว่าสกานมันดีอะไรที่ที่้ที่ไม่ได้เช่นเผู้ชายนี่ก็คือทองคำอย่างเดียวหนันนกนี่ถ้ากว่าทองคํานี่น้อยกว่าห้าเรนขน่าก็ไม่ได้กว่าทองคำถ้าถ้าปเปอร์เซ็นต์ทองคามีันน้อยน้อยกว่าหสการก็มีนรครับตอนมันจะมีการนเนในสวรรค์ที่มันเป็น เป็นรางวัลแก่ผู้ศรัทธาแล้วการพบเห็นอัลลอฮ์ในวันแห่งการประสิทนะครับในวันในวันแห่งการรับสมุดด้วย่าแบบเนี้ยความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกไป่ใช่ไม่ใช ไ, ไม่มีไม่มีมนุษย์ที่จะเห็นอัลลอ์ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะเห็นอัลลอฮ์ในในวันแค่มา ก, ก่อนเขาจะวันไม่มีดยเฉพาะคนชั่วอนนินนม اعربيم لمح جبوب นี่ดูเฉพาะในคนช่วที่จะถูกปกไม่เห็นอัลลอ์เลยแต่เป็นไปได้ ว่าผู้ศรัทธาที่จะเข้าสวรรค์ก่อนที่จะเข้าสวรรค์ น, นีอ้อาจจะมีโอกาสเห็นอนร้องก่อนเข้าสวรรค์เป็นไปได้แต่สำหรับคนชั่วผู้เป็นศรัทธาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นอนลค์ร้องแม้กระทั่งวันเกียรติแม้กระทั่งตอนถูกสอบสวนถูสอบสวนองค์ร้อะจะสัมผัสอันนี้ก็ไม่เห็นองคก็เหมือนที่นบีขึ้นไปแมวรอ น, นก็ไม่เห็น النبي موسى صل الله عليه وسلم قيوني ق م دي النبي ص ا ب ش ا ن ل عن الله آكل الربا أم كله وكاتبه وشاهده ص ا ب ش ا ن ق و دي هيدا بيا ر دابيا، ل ق دي جد جد ب ي ح ي س ن ي ا دابيا وشاية هي ذي هذا ب ا ن يو ي ن ت ك ا ت ซึ่งเขาเองก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรทีนี้ถ้าเราไปใช้สอยแล้วเจอที่ว่าถ้าเขาต้องการกรรมสิทธิ์คือล้วก็พร้อมที่จะให้เช่นไปทำไปล้างการไปตักค่าเล็กน้อยข้อไหนเนี้ยไมล่ะเราเราเร า, เรายังไม่เคยเจอเขาเลยแบบนี้ครับเมื่อเขาเป็นคนซื้อที่แล้วก็เราสามารถติดต่อเขาได้ไหมล่ะเป็นเรื่องขี่เกียจไม่ไม่ได้ครับแต่ว่าคือคนลนัก พยายามยังยังไม่ได้พยายามพยายามหมดนะแล้วกใครมาถามเห็นพยายามเพิ่งพยานยีมผู้แย่ใช่คนผู้ขอมีตัวรอเองถ้าเขามีความจำเป็นมีตัวราต้องกู่ก็คนที่เป็นพยานเนี่ยเพราะอนุมานถ้าเขาจะเป็นพยานให้เนี่ยแต่ต้องเข้าต้องรับรู้ต้องมีทัศวะ เชคเช่นที่คนที่ก็จะกู้ดอกเบี้ยเขามีฟะตัวว่าอ่านอนเงี้ให้วยเขามีตัวนี้ไคนที่เป็นพยานเนี่ยเขาก็ต้องมีฟะตวาให้เป็นพยานได้ไม่ใช่คนที่จะกู้กูมีฟะตัวแล้วมึไม่ต้องไม่เขาก็ต้องไปถามอเคสแบบนี้นี่ผมเป็นพยานให้ได้ไหมก็ได้เพราะไอคนที่มีมีตองร้อนอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ถูกสาบแช่งเนี่ยมาถูกยกเว้นเนยในกระบวนการนี้ทั้งหมดก็อยถูกลงเลน ยกเว้นคนนี้ให้ดอกเบี้ยนะคนนี้ไม่ใช่คนนี้ให้คนที่คนที่รับดอกเบี้ยคนนี่ปล่อยดอกเบี้ยอันนี้ก็มีพ้นแบบไม่พ้นบาปอยู่แล้ว